มองเห็นสิ่งที่ดีที่จัวจสิ่งที่ผิดที่ถูกองค์ยังแแบบว่ า, าเข้าไปสอนให้เห็นของใสกระจ่างแจ้งขึ้นมาสอนเทวดาสอนอินสอนพรก็เช่นเดียวกันพวกเทวดาพวกอินพวกโกมันค่อยเบาบางหน่อย ยังชั่วมนุษย์เนี่แสนยากที่สุดแต่ว่ายากก็ตามเถอะถ้ามันไม่ยากอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่มาสอนสอนจริงที่ยังยากนะมนุษย์จะเป็นของสอนยากจึงมาเกิดในมนุษย์เชงมาอุบัติขึ้นในมนุษย์นี่แหละสอนมนุษย์อันคยังยากนี่แหละให้ละความชั่วได เมื่อละชั่วได้แล้วก็ละได้เด็ดขาะความสามารถกล้าหารยิ่งกว่าเทวบุตรเทวดาคนทำชั่วทำผิดนั่นแหละพระองค์ยิ่ค่อยสอนเทวดาบุตรเทวดาเอ็นมไม่ผิดจากศีลมีศีลห้าทิ่แฝัน 5, 5, ม, นไม่ไม่ต้องสอนยากแล้ว มนุษย์เราทำชั่วนี่แลหละสนละชั่วนั่นแหละสิ่งที่ตนทำชั่วจะละได้ดูกเด็ดขาดจึงกลับเป็นคนดีขึ้นมาอย่างอังคุยิวานเป็นต้นข่าคนถึงเก้าสิบเก้าคนหรือมากกวัขึ้นไปกว่านั้นอีกเหลือที่จะนับ แต่นับได้เก้าถึงเก้าคนนั้นอีกคนหนึ่งจะถึงพันคนเห็นผู้ที่เจ้าดีใจว่าจะได้ถึงพันคนคนนี้แหละเห็นก็วิ่งติดตามเลยด้วยอภินิหารพนผู้ทีเจ้าท้องยืนยืนอยู่เฉย ไม่ได้วิ่งหรอกเราคอยก่อนเพื่อหาทัพนาคโคดมคอยเราก่อนยุดก่อนอย่าวิ่งให้ยุดยุดก่อนพะองคบอกว่ายุดแล้วคําว่ายุดแล้วคํานั้นน่ะ <c oughs> ทะําไมเจงาอวยหยุดพระสมณาคโคดมถึงวาทําทไมะยังวายหยุด เราวิ่งตามแทบตายเหนื่อยแทบตายเนื่อพิเนหานพระองค์ยุดอยู่แต่คล้ายกับว่าวิ่งเหนื่อยพลังแล้วบอกพระองค์หยุดก่อนหยุดซะก่อนอย่าเพิ่งวิ่งพระองคอหยุดแล้วยุดทําไมทํามน้าโกดมโกหกหนิเราไม่อีกเราหยุดแล้ว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 เก็นพระพุทธเจาอย่างยกรับคำว่าพองว่าหยุดแล้วขนาดนั้กินถึงใจลึกเข้าไปถึงใจเย็นว่าพระพุทธเถึงหัวใจเกิดสลดสังเวชขึ้นมาจึงยอมสาะอาวุธต่งตางๆเข้าหาพระุทธาจา องค์เทศได้ฝังยังในสนิทอนุตตโลอย่างนี้แหละพระองค์ใครยะไปสอนได้อย่างนั้นเทวดูเทียวดายินพมเป็นของมีชินสมบูรณ์ไว้ของมุนมีธรรมะสมบูรณ์แล้วอันนั้นมันของสอนง่าย มนุษย์ของเราเนี้แสนยากแต่ว่าสอนได้แล้วดีเหลือมันเหลือเทวบุตรเทวดาอีกครับอันนี้อุปาศาธมสาทัตถาเทวมนุษสานังของพระพุทธเจ้าอีกของเราละคะนี่น้องของม้าเราทายัง ไ, ไงเราอยาเป็นอย่างพระพุทธเจ้าเป็นนยนรู้ตัวอย่างพระพุทธเจ้า พระองค์สอนพระองค์เองแล้วท่านมาอานพระองค์แล้วฝึกหัดดัดกายวายใจใจของหลวงแล้วเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทําตัวอย่างให้คนอื่นเห็นจับนั่นเป็นของสาคัญเราฝึกหัดแล้วหรือยังเดี๋ยวนี้เรารอบรมฝึกหัดตัวของเราแล้วยัง เราฝึกหัดได้แค่ไหนอบรมตัวของเราได้เปลี่ยนแค่ไหนอ น, นั้นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเอาเรื่องของเราค่าวนี่พระองค์ก็ฝึกหัดกายวิย จ, จายนี่แหละศีลสมาธิปัญญานี่แหละไม่ได้ฝึกหัดที่อื่นหรอกฝึกหัดตัวของพระองค์ ศีลของเราสมบูรณ์แลหรือยังสมาธิของเราแน่นแฟ้นอะไรอย่างมันยังของเราเฉียบแหลมแม่หรือยังเพียงแค่ไหนมันได้เพียงแค่ไหนแล้วแล้วมาหัดอบรมตัวของเราเนี่ยมาฝึกฝนตัวของเราเนี่ยเมื่อฝึกฝนตัวของเราแล้ว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 คาว่าฝึกหัดบุรุษนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องสตรีปุวิสาธรรมาสถาถีิรัฐาทั้งกล่าวถึงเรื่องบุรุษบุรุษอันหมายความถึงผู้กล้าหาญผู้ยิ่งก็ช่างผู้ทายก็ต่ำทั้งกล้าหาญในเรียกว่า บ, บุรุษเหมือนกันถึงนะบุรุษหมายถึงความกล้าหาญ ก้าหาญอะไรไม่ใช่ก้าหาญต่อสู้ศัตรูข่าศึกภายนอกก้าหาญต่อสู้กับข่าศึกภายในเช่นว่าสินห้าแล้วไม่มีเราก้าหาญต่อสู้ชําระสินหาใด ถาสัตว์ลักษะัพยเพื่อคิดไม่ช้าจางกล่าวขององคสวัสดิ์เดือนสุราไมไร่ชิ้นหข้อนี้มันเป็นศัตรูของเราเราก้าหารต่อสู้ได้จนให้มันลาบขาบยอมแพ้เราทั้งหมดคือเราไม่มันไม่กลับเกิดขึ้นมาอีกนั่นแหะต่อสู้เป็นเป็นบุรุษอันนัน พองค์ก็หัดอันนี้ละหัดสินห้าเนี่ไปพระองค์ยังได้เทศนาสินห้าเป็นต้นมนุษย์มีสินห้าเป็นต้นไดีก่อนผู้ถือพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาต้องมีสินห้าเป็นต้น ถือศาสนาแต่ว่าไม่มีศิธารก็เพียงแต่ว่าถือเฉยๆไม่ปฏิบัติตามความถือนะ่ะถือได้หรอกถื อ, อไร้ก็ถือได้หรอกถืออยู่กับมือนะ่ไม่ได้เข้าถึงจิตถึงใจ ไม่ปฏิบัติถึงภายในอันถือแล้วเอามาปฏิบัติลองดูสิถือศาสนาต้องเอามาปฏิบัติลองดูสิมันยังถึงศาสตาศาสน า, า, า, าต้องสอนกายว่าใจใจเราปฏิบัติที่กายว่าใจใจลองดูสิมันถึงถึงศาสน า, าแท้ทีเดียวอันนี้ถือแต่เพียงกายเพียงแต่มือถือเฉย มาปฏิบัติได้ถึกใจอันนี้เรียกว่าอนุตตโลวิสาธรรมสารทิสัทธาเป็นครูเป็นสาธดาเอกของมนุษย์ชาวโลกตลอดทั้งแต่บุตรแถวดาอินพรมมดเป็นครูอย่างยิ่งเป็นครูอันวิเศษสูงสุดกลัวมนุษย์ชาวโลกที่พากานทรมานสัตดที่พากั น, กนอบรมสัต์ ที่เดี่ยวเชี่ยวชามฉลาดที่สุดแตยังสู่พุทธเจ้าไม่ได้คุดโทฮาน้เบิกบานนะข้านี่เมื่อจิตใจกระพงได้ทรมานเต็มที่แล้วฝึกฝนอบรมตนเต็มที่แล้วก็เบิกบาน อันนี้ามาเปรียบเหมือนกัะดอกบัวที่ออกเต็มที่ปากบานออกเต็มที่เห็นมดทุกจีบทุกเอสรเห็นมดทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็แบะอกมดความรู้ของพระ อ, องค์มีเท่าไหร่พระอเปิดเผยมดคนเรานั้น ไม่เข้าใจใเฉยๆนี่แหละ <c oughs> เข้าใจว่าพระองค์ไม่เอามาเปิดเผยคือว่าไม่เข้าใจธรรมะของพระองค์อันนี้ผู้ได้เห็นจริงมันก็ไม่ไม่เห็นด้วยให้รู้จริงก็ไม่รู้ด้วยนั้นเอะปิดตรงนั้นตรงไม่รู้โดยตรงไม่เห็นนันแต่แท้ที่จริงพระองค์เปิดเผยว่าทุกสิ่งอย่างพรองค์เบิกบาน จึงได้ประกาศโคษณนาถึงเรื่อง <C oughs> สัจธรรมทั้งหลายไปในที่ทุกแห่งทุกหนประกาศโคษณนาเบิกบานหมดทุกสิ่ง <C oughs> พระองค์ไม่มีปกปิดกับบักท่านหลพมาเปียเมือกะ คนที่กรมของไว้ในมือแล้วแบออกมดเห็นมืดทุกสิ่งทุกอย่างพูดอย่างง่ายๆก็ยังไะเรื่องศิลหานี่แหละไ ม, ม่ปกปิดไม่ปิดไ ม, ม่ปกปิดเลยฆ่าสัตว์ไม่ต้องปกปิดว่าสัตว์ตัวนั้นตัวนี้ บรรดาสัตว์ต่งางๆงดมาให้ขาตัวมีชีวิตไม่ว่ายากพี่นอกของเราหรือว่าของเราของเขาไม่ว่าทั้งนั้นน่ะไม่ขาดทั้งหมดขาแแ้วบาปมันเป็นบาปนั่น่ะมันโทษไม่ปกปิดลักทรัพย์ก็เหมือนกันตกลงว่าลักสิ่งใดก็ตามเถอด ถ้าเจตนาตั้งใจจะรักแล้วนิดหน่อยก็เป็นรักถึงเขาไม่รู้ก็เรียกว่าลักเรียกว่าขโมยของเขาแล้วเพื่อผิดไม่ช้าจางก็เหมือนกันก่าวขหมงสัวสาวาดดื่มสุราไม่ไรกเหมือนกันถ้าเจตนาตั้งใจจะล่วงแล้วเมื่อในที่ขาบท่านนั้นแล้ว เป็นอันว่าผิดทั้งหมดเนี่ยไม่ปิดบังอย่างนี้ก่นเบิกบานอย่างเนี้ยก ว, วงขวงกระจายออกไปด้วยประการอย่างนี้นะพุทโธไปเอาผู้เบิกบานในพระไตย์วบอกยิมเยม้มเจม็มใสจะตดอดเวลาไม่มีการเศร้าหมอง พระมาเปียบดังว่าเพชรจันที่ใสส่องสว่างเต็มที่ในวันเดือนผิดถึงมีเมฆหมอกกำบงังไมก่ก็มืดจนแต่หมอกแต่เมฆแต่ดวงจันทร์ยังใสสว่างต่างเดิมเมื่อเมฆหมอกค้นไปแล้วมันก็ใสยอยู่ตามเดิม นั่นเรียกว่าพุโทโธพระขวาแล้ะค่ะจำแนกแจกจ่ายทำทั้งหลายจำแนกแจกจ่ายแหมหมดตั้งแต่สินวิเดไปสินห่าขอนี่แหละแจกให้ไปคนใดจะรักษาสินหาก็แจกเข้าไป คนใดจะรักษาชิ้นแปดกระแจกออกไปคนใดมีความสามารถรักษาชิ้น 10, สิบที่นั่นว่ากระแจกออกไปชิ้นสิบเป็นยังงนั้นชิ้นสองร้อยี่สิบสิบเจ็ดเป็นยังนั้นชิ้นห้าเป็นชิ้นแปดเป็นยางนั้น น, 220, น, นั่ น, น, น, น, น, น, นแม้ที่สุดนั่นเด็ดตาฐานยินดีพอใจอย่างนั้นทําบุญอย่างนั้นนั่นเรื่องใสุดท้ายอย่างนั้น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 การออกกูลับนั้นจะรับหรือไม่รับก่อนแล้วแต่บุคคลผู้จะเอาผู้เอามากก็ได้มากผู้ออาน้อยก็ได้น้อยจึงว่าพเขวาว่าผู้แจะผู้จ่ายผูใ้ให้าคตตาโลจตัตถานคตะปฏิปตัปตาพระโมคคัญจาก เป็นผู้สอนบอกพูกกล่าวเฉยเมื่อให้ไปแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทวงเอาชิ้นห้าชิ้นแปดชิ้นสิบก็ไม่ไดทวงเอาชิ้นสองร้อี่เจ็ก็ไม่ได้ทวงเอาทําบุญนําทานรักษาการคุศลต่างๆพระองค์ก็ไม่ได้ทวงเอาไม่ได้ทวงเอาคืนมาให้คนนั้นเลย เมื่อคนนั้นได้แล้วคนนั้นก็เป็นคนดีคนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนสุภาพเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ด้วยจริญไศีนสมาธิปัญญาเรียกว่าจารณะครบบริบูรณ์คิดดีวะ ถ้าหากว่าเรารับอคําสอนพอะพุทเจ้าแล้วก่อนี้โฮงแจกเราเรารับเอาแล้วก่อนนี้จะรับเอาชักน้อยชักเล็กน้อยก็ตามเถอะสินหานี่ก็เอาหรือทำทานก็เอารับเอาจริงๆอางเลยจังเอาอันนั้นมาไว้จริงจริงเลยจ้ะสอนทำทานการกุศลนั่นเองอะรับเอาบ่อยจริงจริงเลยจังปฏิบัติเป็นกิจวัตร สินห้าข้อนี่ก็รับออกจวัดจริงจริงนแปดก็รับเอาเป็นจิจวัดจริงจริงแม่ขาดตกบกคร่องอุดมสมบูรณ์เลยด้ยสินด้วยทานบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไหมแล้วข้อหาว่ามีสินห้าสินแปด ชิ้นจิบสมบูรณ์บริบูรณ์ะจะสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นสุขสบายไหมนะมาคิดว่าเมืองมนุษย์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นเตี ว, วดาไปได้คนเราอยากจะได้ความสุขแต่หากไม่ผ่ากับปฏิปักษมันจะได้ไมาจากไหน ให้ปฏิบัติตามสินห้าข้อมันก็เสื่อมศูญหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยต้นเหตุมันอยู่สินห้าข้อนี่แต่นั้นแหะความชิพหายของมนุษย์ชาวโลกเพราะสินห้าไม่มีนั่นเองโลกจะวุว่นวายเดือดร้อนกับเพราะสินห้าไม่มีนั่นเองเมื่อสินห้ามีก็เกิด วุ่นวายกันเดือดร้อนกันทุกอยอมยากนานนะเข้ากับเป็นสัจธรรมตะกับจิตหนาแ น, น่เดกกิเลสม้ามีธรรมมาเป็นเครื่องอยู่คือสินหาหาไปเถิดหาความสุขความสบายไม่ได้รอก เราคิดดูอ่ะหาความสุขสบายหาอยู่หากินหาเข้าของเงินทองสภาพทุกอย่างเอาไวมามา้มากๆเพื่อจะได้ความสุขเพื่อความบรทุกชิ้นห้ามีไมนจะได้สุขมาจากไหนหาไว่ากๆมันก็พ้นชิ้นนั้นได้ทิค่ายเตกันหมดได้ทิมันจะได้ความสุขมาจากไหนทั้งชิ้นห้ามีแล้วหมดเรื่อง มีน้อยมีมากเท่าไรก็ตามเรื่องของใครของมันหากินตามกำลังทุธาเออตามกาลังกายกำลังวัช า, าของใครพองมันน่ะมันก็หมดเรื่องมมนมีเบียดบียนหากินเงินจะท่องไว้ว่างมาหาไว้หลายนอนไม่หลับท้อีกก็เพราะไม่มีทินทานเนี่ย นี่อธิบายมาในวันนี้สามบทคือว่าต่อจากวันพระก่อนกุริสาธรรมสาธทตถาเทวนุสานังพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาเอกฝึกหัดมนุษย์บุรุษชายหญิงตลอดถึงเทวดาอินพร้ม หาบุรุษคนหาสารทิไในจะเปรียบเหมือนพระองค์ไม่ได้พุทโธนผู้เบิกบานพระขาวายผูแจจยย้แจกจ่ายทำทั้งหลายแจกจ่ายไกับมือของใครก็มันทุกขนทุกคนผู้ใดผู้ใดเอามากก็ได้มากผู้ใดเอาน้อยก็ได้น้อย ผูมีศรัทธาแก่กล้ากระเดยมากกูมีศรัทธา น, น้อยกระเดยน้อยก็าเขาว่าจจแจกจ่ายแจกปันสิ่งของถั่วมดไม่เลือกหน้าใครมาปฏิบัติก็เรียกว่าแจกคนนั้นหมดอะไม่เร้งห้องแขนส่วนตัวหรอกเอางี้เอาที่ปายวันนี้ ท, ทอดทิฟฟ์แม่ลาบากกาก้ำหาอยู่ร้อยกินผู้เดียวลูกชายเราบวชเลี้ยงบวดูแกมาคิดถึงเรื่องกะตาเนียกได้เวทีเนี่ยทที่ว่ากาตาเนีก็ได้เวทีเลี้ยงพอเลี้ยงแม่มันผู้มีบอทานั้นทํานั้นนี่มันหายไปทีไดหนตายแล้วบวอ แ่เข้าใจว่าทํามันนั่นตายก็ท่านิวก็ท่านวิธีนั้นตายไปแล้วแกเลย ม, มาทําบุญหาได้หมอเข่ามอได้มอเขา่เขาแล้วก็หนีไปอยู่ในป่าแกก็เอาไฟขึ้นเอาบุเขาหูแกงคนทําบุญทำทานฮะผีตายแตก่อนมันเป็นอะไรกันนี่ไปทําบุญในป่ามัน เวลทาทำบุญแล้วก็ทิมเมดทั้งมอนั่นแหละบอกเอาละยังก็ทิมเม็ดทำบุญหาบุญกตานติวกแตเวทีในฝ่ามาันเดือดร้อนนึกไปอินกล่าวทั้งเรื่องไปอีหาจายอย่างนี้นยังเลยทำบุญหาธรรมะอันที่ว่ากตานิวกแตเวทีมันตายไปที่ไหทำบุญหาก่อนหน้ะ บ็ไอ้โตายดอกยังอยู่ขณน ะ, ะก็ทำเดียก็เทวิธียังยนงะินอ่ะตายยังลูกคอลูกชายอย่ะมันก็เลี้ยงโมดูนี่มันก็เห็นเลี้ยงเห็นดูมันยังเงียนอยู่กางนเงินงเด็ดมันยังมียังรวยยเด็ดเลยโอยมันให้เกี่ยวไม้ยงได้เมืองไม้ดอกนี่กไปยืนเลยไปขู่บังคับให้ลูกชายตานอีทายนั่น ทำไมตัองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อดทิ้งก okay ันพ่อแม่ทุกอย่างตั้งปากกลับู่เข็นจะตีมันยังยอมมาเลี้ยงพอเลี้ยงแม่นี่ยกลับคือมาเลี้ยงแล้วอันนี้พระอินทร์บอกมาแล้วมันตายไปเอุนั้นนั่นพระกรตเยโยกกระเทยเทียนมายดอกเดี๋วนี้มันพรอินไม่ส่อยดิไม่ส่อยคนเขา มันเรียว่าทอดทิมมดเราเคยกำหนดยังไรพิจารณาอย่างไรก็ให้พิจารณาตามเรื่องกันเนี่แต่ว่าให้ตั้งสติให้คิ่งให้เข่งคัด ตั้งสติเฉพาะตัวของจิตจิตยอยู่ตรงไหนตั้งสติตรงนั้นอ่ะรักษาสติควบคุมจิตให้อยู่แน่วแน่กับสติอันเดียวอย่าเพิ่งให้มันออกไปฮัตสตินี่อ่ะให้แก่กล้าจนกระทั่งมันอยู่ในอำนาจของตน เห็นอยู่ทุกขณะเรียกว่าไม่โยนนาจของเราอย่าให้มันสรงสายมันพาเราไปจนไม่ไม่มีสติเรียกว่าเราโยนนาจของจิตเมื่อตั้งสติกหนดจิตอยู่แล้วมันห่างมีแร้เรื่องความรู้มันเกิดจากนั้น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 อยากรู้อยากเห็นยังเงือสอกมาที่นั่นแต่ว่าอยากไปอยากลุกมันหา่างรู้ขึ้นมาเองจิตไม่เคยไม่ถึงว่มันอยู่สักเท่าไหร่ก็ตามเถองมันให้มีแววอยู่ในตัวมีแววว้าเกิดขึ้นมาในนั้นเ <c oughs> ราจับวันนั้นราพิจารณาจับวันนั้นมา คิดค้นต่อไปนี่ถ้าหากพูดถึงเรื่องจิตมันมีแววอย่างนั้นเน่ยมันก็ต้องออกไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจิตยังไม่ทันถึงขนาดนั้นห้เอาพุโทโธเป็นเครื่องอยู่ซะก่อนนึกกับพุโทโธพุโทโธให้อยู่กับพุโทโธนั่นแหละสติควบคุมอยู่กับพุโทโธนะ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 เมื่อจิตอยู่แนวแน่เต็มที่แล้วพู้โตหายหมดยังเหลือแต่จิตอเดียวจิตกับสติเท่านั้นอะอยูู่ดเดียวน